บรรดาลูกรักทั้งหลายสาหรับวันนี้พ่อจะขอประรบความเป็นไปในชีวิตของพ่อเพื่อให้บรรดาลูกรักทั้งหลายได้รับทราบแต่เสียงที่บังเอิญลูกจะได้ ย, น ย, ยนาาินเสียงอย่างอื่เข้ามาแรกแสงเป็นเสียงโู่ชาตก็ดี เสียงคลื่นทะเลก็ดีเสียงรถยนต์เสียงเรือยนต์เสียงคนพูดก็ดีถ้าบังเอิญจะเข้ามาแทรกในเสียงนี้ก็ขอบรรดาลรู้รักทั้งหลายเพื่อทราบว่าเสียงที่พ่อพูดนี้พ่อไม่ได้พูดในห้องบันทึกเสียง <c oughs> พ่อพูดในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน มีตั้งเสียงคนมีตั้งเสียงเรือยนต์มีตั้งเสียงรถยนต์เสียงเครื่องจากคกลต่างๆเสียงเหา่าเสียงหอนของสุนัขเสียงนกกรงและก็เสียงไก่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อมาพูดที่จังหวัดกระบี่วันนี้วันที่เสียงวันที่เท่าไรหนอวันที่สิบเจ็ด เมษายน2521พ่อเดินทางมาจังหวัดกบีพร้อไม่ได้คณะลูกบางส่วนแต่ว่าเป็นที่น่าสิ้นดายที่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่ทรงความดีมีการเสียสละความสุขสนตนช่วยสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจกว่า และก็งานทุกอย่างที่บรรดาลูกทลายทำแต่และคนย่อมรู้จักหน้าที่ของตนและก็ทำด้วยความว่องไวแข็งแรงไม่เคยที่จะออม ก, กำลังกายกำลังใจเพื่อกิจการในส่วนสธนาธารณประโยชน์ เป็นการสร้างไว้ก็ดีกิจการส่วนอื่นก็ดีงานแจกของของแก่ประชาชนก็ดีการเตรียมการก็ดีงานอย่างนี้ทั้งหมดเป็นการหนักเป็น ง, งานที่หนักมากต้องใช้ความละเอียดอ่อนความแข็งแรงของร่างกายความจับไวความฉลาด <c oughs> ความจับไวและความฉลาดมีปฏิพันธ์ความสามารถในกิจการทุกอย่าง พ่อเองก็คิดไปถึงว่าความคล่องตัวของรรดาลูกรักทั้งหลายจะคล่องตัวได้ขนาดนี้ตัวอย่างในคราวไปแม่ห้องสอนงานหนักมากการขนของ ข, องขึ้นรถเตรียมการที่จะเคลื่อนที่พ่อคิดว่าลูกของพ่อนี้จะต้องขนของ ข, องขึ้นรถใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง ในความจริงเห็นว่าเวลาครึ่งชั่วโมงมันอาจจะไม่พอกับของที่จะ น, นำขึ้นรถอาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชมมมั่วโมงแต่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่เป็นสตรีทั้งหมดมีความแข็งแรงเป็นกรณีพิเศษและก็สำหรับที่เป็นผู้ชายแต่พี่ที่น่าสินดาย ท่านที่เป็นผู้ชายไปในขนาดนั้นกลับมีความแข็งแรงไม่เท่าท่านสุภาพสตรีที่พูดนี้ไม่ใช่ปรนนามกันบางคนก็ทำงานจงลุกไปขึ้นเหมือนกันผู้ชายแต่บางคนก็มือค่อยหลังไปดูผู้หญิงทำงานเสียอย่างนี้พ่อเสียดายเวลาของชีวิตเป็นอาชิพที่ลูกทำทั้งหมด เป็นกิจที่พ่อคาดไม่ถึงมีความปราบรื่มใจอย่างยิ่งเป็นนั้นว่าท่านลูกชายและลูกหญิงของพ่อเป็นคนดีทั้งหมดในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าลูกเลวแต่ขอลูกท่านหลายจงคิดว่านั่นเป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแต่และคน แต่พ่อเองมีความรู้สึกว่าคนจะดีหรือว่าคนจะเลวมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมก่อนที่เราจะเกิดมานี่เราทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วขณะใดถ้ากรรมที่เป็นอกุศละกรรมมันให้ผลขณะนั้นรูกของพ่อก็อาจจะมีความคิดผิดพูดผิดกระทำผิดไปได้เป็นของธรรมดา ในขนาะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผลบรรดาลูกรักของพ่อก็จะทำโถกพูดโกคิดโถอยู่เสมอเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตัวของพ่อเองก็ประสบมามากจึงไม่มีความรู้สึกเมื่อลูกรักบางท่านบางคนคิดพลาดพูดพลาดจะทําพลาดไปถือว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรม เวลาที่พ่อนั่งบันทึกเสียงอยู่ที่จังหวัดกระบี่ในบริเวณเขาลงวยฟ้าฝ่ายผิดซึ่งมีท่านหม่อมหลวงวรวัตนวรัตผู้อำนวยการลงวยฟ้าฝ่ายผิดสายใต้เป็นผู้ประการะให้มาพักอยู่ที่บ้านพักของท่าน เวลานี้พ่อเองกำลังนั่งพูดอยู่รู้สึกเวียนทิ่ะใจสันริกร่างกายไม่ปกติก็ต้องเดินทางทั้งวันเช้าวเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสินาทีออกจากครองวานบ้านของท่านพันตำรวจเอกพิเศษเล็กปอตีอันดีรองผู้บังคับการตำรวจพูทรจังหวัดพระนครเสียยุติยา เดินทาง ม, มาคราวนี้ก็รู้สึกขุกรักมากจนกว่าจะถึงจังหวัดกระบี่ก็คาดเลยถึงการเดินทาง ม, มาคราวนี้นับตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดนครจังหวัดสุราธานีแล้วกว่าจะถึงจังหวัดกระบี่ก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดกำลังเดินอยู่ในป่าของเสือ เสือจะกัดลงมาเราจะถูกเขี้ยวถูกเล็บของเสือทำร้ายเมื่อไรก็ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งรถจนของเราก็มีอุปสรรคเฉพาะในจุดที่มีความสำคัญทั้งหมดแต่พ่อเขามั่นใจในบาร ม, มีเขาองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าพอจะทำให้ลูกท่านหลายปลอดภัยจากอันตรายได้ในที่สุดก็มาถึงจังหวัดกระบี่ได้ แต่ได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เดินทางในสายใต้ตลอดสายหรือว่าสายไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายใต้มีความสำคัญมากขอลูกรักทั้งหมดจงอย่ามีความประมาทและก็จงอย่าคิดว่าอันตรายจะไม่มีกับเรา ถ้าบาังเอิญจะพึงมีอันตรายเกิดขึ้นก็จะคิดว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรมเราทำดีที่สุดแล้วเราเสียสละทุกอย่างชีวิตจะเลือดเนื้อเราก็ยอมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสุข ความทุกข์มันจะเบียดเบียนเพ่อการเกือ้อกูลบรรดาพี่น้องชาวไทยและแม่ไทยที่อยู่ในเขตประเทศไทยให้มีความสุขตามความสามารถของเราที่เพิ่งําได้และก็เป็นกรการสนองพระรา ช, ราชราบารมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไว้วางพระราชหารยไทยให้คณะของเราตั้งเป็นศซนขึ้นในนามของพระองค์ และคนทุกคนที่ช่วยทา ง, งานคือลูกๆทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นพูดเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ของระบาทสมเด็จพระยี่หัวเป็นศูนย์สงเคราะห์ไม่มีไม่ได้คิดจะเป็นปฏิปักษกับใครจิตใจของพวกเราเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีสละทั้งทรัพย์สินสละทั้งเวลาการงานบางครั้งเราต้องขาดเจรจาการเราก็พร้อมทา และการไปทํางานทุกครั้งทุกคนก็เสียสละซัพย์ช่วยในการเดินทางค่าพานะค่าใช้ใจ่ายซึ่งพ่อคิดไว้ถึงว่าถ้าจ้างคนอื่นเขาก็ยังไม่สามารถจะทําได้ดีเท่ากับลูกของพ่อที่ต้องเสียทั้งแรงงานเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการงานดีไม่ดีผู้บังคับบัญชาเขาจะเกลียดจำหน้า กลันแกล้งโลกไม่ยอมให้ซื้อเงินเดือนหรือไม่ยอมเลื่อนขั้นเร่งย้อนก็เป็นไปได้แต่ว่านั่นถ้าเป็นอย่างนั้นขอโลกทัานหลายจงถือว่าเป็นกฎของกรรมเดิมที่เราทำมาแล้วไม่ดีในชาตินี้เรามาแก้ตัวกันใหม่พยายามทำความดีเสียทุกอย่างก็เป็นการหักล้างความชั่วเดิมเพื่อผลที่เราจะพึงได้ต่อไปนั่นก็คือพระนิพพาน สำหรับเรื่องต่างๆที่จะต้องพูดเป็นอารามพมบทเจอของดไว้พ่อจะขอทวนต้นกลับไปในสมัยพศสองพันห้าร้อยี่สิบคือวันนั้นเป็นวันที่ยี่สิบเอดตุลาคมสองพันห้าร้อยี่สิบพระบาทสมเด็จพระจอยหัวได้ท่งนิมนต์ห่ตำไอลูให้พ่อเข้าไป ข้าท่านที่วังสวนจิตวันนั้นปรารบกับพระองค์เพียงสองเท่านั้นคือพระองค์หนึ่งและก็พ่อหนึ่งพระองค์ทรงใช้ห้องบิเศษลงกรอนด้วยพระองค์เองการปรารบในวันนั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องเลกันแต่พ่ออาจจะจําไม่ได้ดีนัก จะจำแต่เพียงว่าในสิ่งที่พ่อจำมาได้อย่าลืมว่าเวลาที่พ่อพูดวันนี้พ่อเหนื่อยมากพราะตรากตรำ ม, มาทั้งวันนั่งรถเวลาที่นั่งพูดใจก็ยังสั่นรริกร่างกายก็ยังอง่อนเกือจะทรงตัวไม่ไหวแต่พ่อเกรงว่าร่างกายของพ่อมันจะทนต่อการใช้งานไม่ไหว อาจจะต้องจากโลกนี้ไปวันไรวันหนึ่งก็ได้เรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของขันห้าโรครักอย่าสนใจมันมากนักเพราะว่าขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันจะพังเมื่อไรก็ตามใจมันขณะที่เราอาศัยมันมันยังไม่พังเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนั้น เมื่อเข้าไปในห้องเพรหะาทสมเด็จพิะีจหัวก็ทรงมีพระราชดำรัสรารถถึงเรื่องที่เกิดขึ้นี่เมืองยะลาในเดือนกันยายนเพราะว่าพวกเราได้ข่าวกันทานหนังสือพิมพ์บ้างได้ข่าวทางวิทยุบ้างว่าขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมไปชากรของพระองค์ จังหวัดเจลาปรากฏว่ามีเสียงระเบิดดังคั้งสองครั้งต่ความจริงพ่อดีข่าวพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในใจส่วนหนึ่งยังอดที่จะสงสารพระองค์ไม่ได้เพราะว่าทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งพระเจ้าลูกเธอและโจทดพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีน้าพระราชหฤทยัยหวังอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรคนไทยทั้งชาติจึงจะมีความสุข ถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินความสามารถของพระองค์แล้วพระองค์ทําทุกอย่างรวมความแล้วพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับแต่ยะถือว่าเป็นการรับผลของความดีเป็นด้านธรรมะนั่นยัมีอยู่ถ้าด้านวัตถุถ้ามองกันทางโลกแล้วจะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ให้เท่านั้น ไม่น่านเลยที่คนทั้หลายเหล่านั้นเขาจะทำกับพระองค์อย่างนี้เดชะบุญที่บุญบรารมีแรือชีวิตของพระทั้งสงอดไม่ถึงคาดระเบิดจนระเบิดพ ร, ราดไปถูกจุดทำให้พระองค์ต้องส่งชีวิตอยู่ได้ต่อไปเมื่อเข้าไปใหม่ๆพระองค์คงจะคิดว่าพ่อมีความห่วงใยเรื่องนี้ ยังได้ขอกายเ ข, า ข, าเขา้าพระพระองค์พระองค์ก็มีพระราชปารอว่าวันนั้นพอได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกเห็นคนเขา ว, วิ่งวุ่นควักควายไปมาก็มีความรู้สึกวา่าเสียงระเบิดมันระเบิดไปแล้วเมื่อระเบิดไปแล้วก็ไปอันดีอย่างนี้ตามภาษาบาลีก็เรียกว่าดีใกล้ปัจจุบัน ถ้าเราจะจิตไปคิดห่วงใหญ่เรื่องราวในอดีตงานในปัจจุบันพวกเราก็จะไม่เป็นผลดังนั้นพระองค์จึงทรงวางพระ้ารมณ์เฉยเป็นเบคขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดแล้วคนแล้วคนไปเวลานี้มีหน้าที่ที่จะทําท ง, งานทำงานในปัจจุบันก็ทําทําไปจนกว่าจะเสร็จ และหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้หวาดกบรรดาลุกเสือชาวบ้านทรงปรารพบว่าวันนั้นพูดยาวหน่อยเพราะเป็นการดับกำลังใจในความตื่นต้งของประชาชนและลุกเสือทั้งหลายตอนหลังจากนั้นเมื่อเสดจการพระเาดทานธงลุกเสือและหัววาดเสร็จจะต้องสเสด็จไปเยี่ยมประชาชน ก็ทรงดำริว่าถ้าขณะที่ปลเสียระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงความจริงระเบิดที่ระเบิดขึ้นมานั้นเป็นวาระที่สองแล้วขึ้ระเบิดสองลกูกไกลาจากที่ประทับลูกหนึ่งห้าสิบเมตรอีกลูกหนึ่งร้อยเมตรแต่ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมประชากรของพระองค์ระเบิดแต่สองจุด จะไกลจากลาดพรบาดเพียงเจ็ดเม็ดเท่านั้นพ่อทราบจากเจ้าที่ผู้มีความชำนาญในระเบิดก็บอกว่าลูกระเบิดแสวงผลประเภทนี้มีรัศมีทำการถึงยี่สิบเม็ดที่ได้ผลได้ขอลูกทุกคนก็จึงสรงศึกษาไว้ เมืวละเบิดแบบนี้เขาทาไว้เขาหมกไว้แล้วเขาวางไวในสิ่งที่ไม่น่าจะสงสัยเขาจะมีวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องล่อตาเช่นไฟขิดขิดไฟแช็กหรือว่าปืนหรือว่าของที่น่ารักวางไว้จะสายล่ามไวถ้าบังเอิญใครมีความสนใจในวัตถุนั้นหยิบขึ้นมาสายเชือกที่ผูกกับชนวน จะกระตุกระเบิดและเบิดก็จะเกิดระเบิดทันทีเรื่องนี้รู่ท่านหลายก็คงจะระวังไว้เพราะว่าอันตรายมิจะเกิดมีเพราะสิ่งที่เรารักที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าปียโตชาญาเตโสโกปิยโตชาญตเปยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุนี่ที่องค์สมเด็จพระบรมหลวงโลกเชตตญาณนนี้ตรงเพราะว่าเขาจะพยายามหาของที่เรารักไปผูกกับชนนวลเอาไว้เมื่อหยิบขึ้นมาเมื่อไรแล้วเบืดก็จะเกิดระเบิดขึ้นตอนนี้เราก็จะมีอันตรายฉะนั้นขอลูกทัานหลายจงจำไว้แล้วะมาตระวังเรื่องนี้ให้มาก แต่ถ้าบาังเอิญวิบากกรรมมันให้ผลก็จะเป็นปัจจัยให้เราลืมได้เหมือนกั น, น, นต้องขออภัยลูกพาะ ก, กำลังเป็นวัดอย่างหนัก น, นี่ตอนนี้ก็ขอต่อเรื่องราวในพระราชฐานต่อไปในตอนที่สองพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทย ว่าเรื่องระเบิดที่จะระเบิดก้นมาภายหลังมันเป็นเรื่องข้ออนาคตถ้าเอาจิตใจไปยุ่งกับอนาคตเขาแล้วลก็งานปัจจุบันมันจะเสียเป็นนั้นว่าน้าประเทศไทยเขา อ, องค์มีความมั่นคงโนเบคารมมีความมั่นในธรรมคนที่มีจิตมั่นในธรรมจริงๆน่ะมีความกล้า พอที่จะอชีวิตเขาแลกกับความดีได้จะนั้นขอบรรดาลโลกทันหลายจงจำพระราชา จ, จ, จริยาวัดคำวระ บ, บาสมเด็จพิจิหวัวไว้และจงพยายามกระทำน้ำใจของเราให้เหมือนกับน้ำพระทัยของพระองค์เพราะว่าจงเห็นว่าชีวิตมีความหมายน้อยกว่าความดี แล้วเกิดมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องตายไหนๆจะตายคอยเราตายอยู่กับความดีเท่านี้เป็นพอเราะว่าถ้าความดีนี้เป็นความดีสูงสุดลูกทั้งหมดก็จะไปพระนิพพานได้ถ้าเป็นความดีหย่อนลงมาก็สามารถจะเป็นท่านาคา ม, มีพระสิทธาคา ม, มีพระโสนาบัน เรื่อยานเลนไปกว่านั้นรูกทุกคนก็จะเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอาริยสงฆ์เท่านี้โลกก็มีทุนใหญ่สามารถจะปลดเรื่องความเกิดต่อไปเสียได้สำหรับเรื่องในพระรชาชทานในวันนั้น นอกจากนั้นแล้วเท่าที่พ่อจําได้หลวงก็ทรงมีพระราชบารมเรื่องการตั้งสุนทรงเพราะบุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุร ก, กันดานขึ้นทรงจะถามว่าหลวงพ่อจะตั้งศูนสักศูนได้ไหมพ่อก็สงสัยจึงได้ทูลถามพระองค์ไปว่าจะตั้งศูนอะไร โรงก็ทรงแต่ว่าตั้งโสนทรงเราะ์บุคคลผู้ยากจนในทินธุรกันดาลภาคเหนือตามความจริงเรื่องภาคภาคนี้รู้สึกว่าคนทั้งหลายมาวิจารณ์กันเองโดยที่พระบาทสมเด็จพีเอย่หัวไม่ได้ตั้งให้เป็นคณะกันมาที่การไปลงท้ายว่าท่นลงว่าเหนืออย่างเดียวคนทั้งประเทศเจน่าพระองค์ อคติท่าอื่นทําไมจะไม่ตั้งขอให้ตัดคําว่าเหนือออกเสียความจริงตามความรู้สึกของพ่อคิดว่าไม่มีความเสียหายหรือว่าได้ทรงตั้งภาคเหนือถ้าเราเขียนป้ายไปว่าภาคเหนือแล้วเราก็ไปทรงเคาะทุกภาคก็จะเห็นว่าน้ําประทัยของพระมหากษัตริย์ของคนไทย ตั้งศูนย์ไวจะเพาะผาคเหนือเป็นเขตก็ยังสามารถจะก้าเข้าไปสู่จุดต่างๆที่ไม่ใช่ผากเหนือไ ม, ไม่ใช่เขตเป็นการแสดงความขว้างขวางของน้ำใจแต่ความจริงสำหรับภาคอื่นข้อทราบอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงมีคนแทนพระองค์อยู่แล้ว เรื่องนี้ก็ขอยกไปไพืเดี๋ยวจะสะเทือนใจคณะกันมาทีการพิเศษเป็นอนุนว่าเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชปบารมีอย่างนั้นพ่อก็ทูลพระองคว่าวัดกว้างขวางพอตั้งส่วนได้แต่เงินไม่มีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเงินมีแล้วก็พระราชทานเงินมาแสนบาท ต่อมาเมื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจหวทรงไว้วางพระราชาไทยในข้อตลอดจนทั้งบรรดาลูกท่านหลายด้วยก็ช่วยกันสละทรัพย์ต่างกําลังศรัทธาเป็นเงินบ้างเป็นข้าวบ้างเป็นปลาบ้างเกลือบ้างกระปีบบ้างเป็นผ้าผ่อนท่อนสมัยบ้างทั้งหมดคิดแล้ว สิ่งที่ได้รับเข้ามาในศูนเวลานี้เกินกว่าเงินหนึ่งล้านบาทเพาการออกแจ่แต่ละคราวก็ใช้คิดเป็นค่าข อ, ของของคราวหนึ่งหลายแสนบาทถ้าแยคิดค่ากันทั้งหมดจริงๆผลที่ศูนย์ได้รับจากวัตถุทุกอย่างคงจะเกินกว่าสิบล้านบาท อันนี้ก็เป็นน้ำใจของบรรดาลูกท่านหลายและบรรดา่านพุทธบริษัทมีจิตเมตตาปราณีในคนไทยด้วยกันซึ่งมีพระบาทสมเด็จเอย่หัวทรงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่พ่อเห็นมาแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าท่านพลเอกเพียงศักดิ์ชวนันก็ได้สงเคราะห์กับพ่อช่วยในส่นนี้ ให้เอาสารสองพันกระสอบพืชผักสำหรับปลกน้ำมันสำหรับทอดผักและก็น้ำตาลเพป็นนั้นว่าสูนของเราหรือ ว, ว่าสูนของพระบาทสมเด็จเจ้หัวมีคนเห็นด้วยมากและก็เต็มใจที่ร่วมโดยมือด้วยนอกจากนั้นท่านพ ม, มีศรัทธา เ่องภาณนะเรื่องพาณะเป็นเรื่องใหญ่มากลองเช่าเข้าไปที่จังหวัดแม่ห้องสอนใช้เวลาไม่กี่วันนักเช่ารถโดยสารไปสองคันแกต้องจ่ายเงินค่ารถโดยสารสิงสองหมื่นแปบาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นทั้งหมดรวมแล้วค่ากินค่าอะไรต่อะไรต่างๆไม่ใช่ค่าแจก เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทิ่งเงินไปทั้งหมดถึงสามมสองพบาทเสามหมื่นสามพันบาทเศษแต่พ่อเองก็จ่ายจริงๆริงเพียงันบาทเศษเท่านั้นเพราะทั้งหมดนั้นบรรดาลูกรักทั้งหลายของพ่อช่วยกันสละตางกำลังศรัทธา เป็นเงินจำนวนถึงสาม0มืนสองพันบาทเสร็นี่พันบาทพ่อเป็นผู้จ่ายลูกสละเวลาการงานด้วยสละแรงงานด้วยสละทรัพย์สินช่วยคุณยาก จ, จนด้วยแล้วก็ช่วยรังเสสละค่าพานะด้วยความน่ารักของลูกของพ่อทุกคนอย่างนี้พ่อคิดว่าพ่อจะหาที่ไหนไม่ได้แล้ว คนอื่นใครเขาจะทำงานเพื่อพ่ออย่างการสร้างวัดทั้งๆ ท, ที่วัดอยู่ในเขตของเขาเวลาไปบอกเขาไม่ช่วยทำเขาคิดเป็นค่าแรงงานนีไม่ดีทำไปทำไปเขาขอขึ้นแรงงานความจริงวัดเป็นประโยชน์สเรัอเขาในเขตนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นน้าใจของพ่อ ไม่ได้คิดว่าเสี่งนี้เป็นสาธารณประโยชน์เขาคิดว่ามันเป็นสมบัติของพ่อเขาจึงเรียกค่าแรงงานแต่สําหรับลูกของพ่อทุกคนนี้นั้นจ่ายเงินเป็นค่าสง่งเคราะห์คนจนด้วยจ่ายเงินเป็นค่าผานะด้วยเสียสละเวลาการงานบางคนก็ต้องลาการงานไปจนเจ้านายเขาเกลียดตำหนาาและก็มี แล้วก็เสียสละเงินค่าภานะอีกทังทีนี่พ่อเห็นว่าพ่อเป็นคนที่มีบญที่สุดที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีสำหรับเทพหน้านี้มันหมดสแลนี่ลูกรอฟังหน้าหลังต่อไป